สวัสดีครับนักศึกษาที่รักก่อนที่เราจะเรียนปัทรรปิธิในกิพิธานกาักันต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมสาธยายหรือท่องปัจจยนะสูตรพร้อมกันนะครับกิพิธานักันกรทาตุยากัมมาทิมหินโนสัญญายามนุปเรตตาจะอิงสัพพโทนวุตวาวีวา วิสารุชาปะทาทิโตนะพาเวจักวิจัทาราติหิรมนตัสิราติสุนิตวาวีจักสะทะกุทะจระมันดาฐะกุรุจารทิหิยุปราทิคมิมหารูพิคาทิโตจานาตยาทีนางโนุกโกนติกิหิตังปะทันเต สังหานัญญายวาโรโกรัมหิรันโตราทิโนภาวะกามสุตป า, านิยานยโยจะกรัมหาริจะปูโพภะวัะมะทะกัมุชชะคราหะการาทีหิชาชะมะมะคัคคะยะเหยาคารวาเตกิจจาอันเยกิตนันทาทีหิยยกัตตุกรณะปะเทเสสุจะราหะทิโตนะ อิติกิพิธานะกับเปปัธโมกันโดนาทยโยเตการิกาสัญญายังททธาโตอิติกิจาสิเตอิติยมัติยะโววากระโติริยะอะติเตตตะตวันตุตาวีภาวะกามเมสุตะพุทธะขมาพุทธะมาติเทกัตรก ชิตโตอินสัสพัทธะสุ ป, ปโตจะอิสังทุสูหิค่ะอิชัตเทสุสมากัตตุเกสุตะเวตองวาอรหัสกาทีสุจัตปะตะวจนเนอรมาทเถสุจัตปุภากาเลกัจตุการังตุณตวานะตว า, ต ว, าวาวัตมาเนมานันตาสาสาทิหิรัตถุ ปติโตริตุมานาทิหิราตุอาคมาตุโกภะเพอิกะอิติกิพิธานะกัปเปทุติโยกันโดปัจจญาธนิ tha นิปาตนาสิชันติสาสาทิสัตโตตัดสะริโฑจสาทิสันตะปุจฉปัญชหันตาธิหิตโฑวัสโตอุทตะวัสสาวุ ททพระเหหิทัาจะพันชะโตคโคจะผู้ชาทินะมันโตโนทวิจะว่าจะวาวุคุปาทินจะตราติหิอินโนพิธาทิตโตอินนาอันนาวาสุสะปะจัสกัโตกักกะกาจะปกรมาทีหินาโตจะชะนาทีนามติมหิจั กมคณหะณะระมาทินม ja. ันโตพระกาโรจะถาปานมิอิจะอันเตหิโหหัตสโรวาอทหะณหานังอิติกิพิธานะกะเปตติโยกันโดนำหิรัญชัสสะโชภาวะกรณีสุหะนัสสะคาโตวะโทวาสัพพัทธะ อาการันตานายโยปุระสมุปะปริหิกรติสสะกัคราวาตปฏจะเจสุจักตเวตุนาทีสุกากมะขณะนาทีนังตุงตาพาทิสุณะสเพหิตุนาทีนังโยจันันเตหิรัตจังทิสาสวานสวาณันตโรโปจัมหา ทเพหิมะมะจะหะชะชะพะพะทัทาจต ท, ทิตะสมาสกิตการนางวาตเวตุนาทีสุจะตุมหิกรุทีโคจะอักเรหิการะยะถมาคะมิการโรทัทันตะโตโยกววจิอิติกิพิธานะกเปจะตุโตกันโดนนกหิตะสังโยคทิโนโอ สัพพะะเคีย ส, ส, สัตสสีตะตังจะจัจสาร ส, สิทเทจะตุธะจะตุธ า, ะตธานะมันตานาังโทเทโททะกาเราขัาศะคระเนวาทหัสทะโทรังทาตะวันตัสสะโลโปโกิมหิพิพัฒนเตวูนัมาการะนมมันตานาังนิยุตตัมหิ นากะคัดตังจะชานาอุมาหิตกระสสะจะตัดตังทุสมิงตุงตุณตาเพสุวากริตานังวิยะานุพันโทอกาอะนกายุนาอูนังกะคาจะชานังอิติกิพิธานะกเปปัญจโมกันโดกิพิธาณสุดตังนิตติตังสาธุสาธุสาธุ